ตสมัยพุทธกาลสัญแยกวันเอาไว้ให้พวกอุบาสกอุบาสิกาฆรวาวาสได้มีโอกาสระดับรับฟังทำเพระาะทาหากไม่แยกแยกเอาไว้กว็จะไม่มีวันสำคัญสำหรับใจ เราแสวงหาอาหารมารับทานเรื่องร่างกายนั้นทานกันอยู่ทุกวันหาอยู่ทุกวันในวันใดหยุดพักผ่อนนอกจากเวลากลางคืนหลับนอนเท่านั้นตื่นมาก็แสวงหาอยู่หากินเพื่อแจะบรรเทาทุกเรื่องของกาย ในเรื่องของใจพวกเราท่านไม่คยมีโอกาสเวลาจะแสวงหาอาหารมาหายใจรับทานหายใจได้รับความสุขความสงบความสบายให้แต่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ถือโอกาสแยกแยะวันเอาไว้เป็นวันธรรมสวรรค์คือวันสั้งธรรมของอุบาสกอุบาสิกา วันพระก็เรียกดัยอแต่จะเรียกวันศีลก็เรียกนี่เป็นวันธรรมสอนะคือวันฟังธรรมวันจำศีลวันอุโบสถทาความสงบจิตสงบใจเรื่องของกายนั้นถึงพวกเราท่านจะบำรุงรักษาให้มันพักหาอาศัย อยู่ในสถานที่ชอบใจสะดวกสบายขนาดไหนกายมันกวแก่ไปตามหนาที้ของมันทุกวันทุกเวลาที่ผ่านไปนี่แต่แต่ความแก่ไปทุกวี่ทุกวันไม่มีวันที่จะกลับหลังขึ้นได้เหมือนกันกับตะวันหรือเหมือนกันกับเดือนขึข้นมันแก่ทั้งที้ของมัน เดือนข้างขึ้นก็นนบวันที่จะมีแสงสว่างสบยไปทุกวันทุกวันหลังแ่เริ่มมองเห็นเดือนเหมือนมันเต็มที่ถึงวันเชนจากนั้นก็หลีแสงลงไปทุกหลีทุกวันอีกเหมือนกันชีวิตของพวกเราท่านก่อทำนองนั้นมันมี <c oughs> ความเป็นเด็กได้เป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้วก็เป็นกลางคนได้ในชาติหนึ่งๆเพียงหนเดียวเท่านั้นเราอยากจะเป็นเด็กอีกร้องให้น้าตาไหลมันก็เป็นเด็กไปอีกไม่ได้จะหาอยุบหายยามาจากที่ไหนมารักษาให้กายมันกลับไปเป็นเด็กอีกเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกก็ไม่ได้สำหรับคนแก่คนเฒ่ามีแต่วันมันจะเข้า หลุมเขาลงเท่านั้นเรื่องของกายมันเป็นไปอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราไปล้มไหลไฟฝันสแสวงหาอันนั้นสแสวงหาอันนี้ทุกยากลําบากเพราะเรื่องของกายไม่ใช่เล่นแต่เรื่องของจิตมองข้ามมันดีมองจิงมองจังกันบำรุงแต่เรื่องของกายแต่ก็ทราบ อยู่แล้วว่าเรื่องร่างกายนั้นบำรุงเท่าไรมันก็ไม่มีวันกลับไปถู่เด็กอีกนี่จะจะเดินหน้าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันตายเท่านั้นแต่การตายก็เป็นของที่ไม่แน่นอนอีกเหมือนกันบางขั้นบางคนก็มีอายุยืนยาวบางขั้นบางคนก็มีอายุสัน้นบางข่้นบางคนก็มีอายุากลางๆแล้วแต่บุญวาสนาที่เคยอบรมศึกษาเคยกระทั่งบำเพ็ญมา แต่ทุกคนเกิดมาก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าความตายนั้นทางศาสนาถือว่าเป็นอริยสัจคนตายนั้นจะมีอายุยืนยาวขนาดไหนก็าตามถ้ามีคุณงามความดีในตนมีอายุเป็นร้อยปีก็สู้คนที่มีความดีเพียงวันเดียวไม่ได้ทางศาสนานถืออย่างนั้นแต่ความดีของพวกเราท่านที่เกิดมา จนตลอดกระทั่งปัจจุบันวันนี้ความดีที่เราได้กระทำประทับใจของเรามีอะไรหรือไม่หรือหากเพียงอยู่ได้ก็ดีใจการอยู่ได้ก็อยู่คอยวันตายไม่ใช่จะอยู่ขำฟ้าแต่นั้นวันเวลาที่ผ่านไปเดือนปีที่ผ่านไปหมดไปหมดไปแต่คุณงามความดีที่เรา ก่อสร้างเอาไว้มีอะไรที่เป็นเรื่องอบอุ่นจิตใจของตัวอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านควรตรวจตราที่จะได้มาศึกษาเพื่อจะหาทางทำความดีเอาไว้ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีกําไรชีวิตจะเป็นโมฆะบุคคลเป็นหมันชีวิตเกิดมาเกิดมาได้จากบุญวาสนาเกิดมาได้ จากคุณความดีชีวิตของมนุษย์ผ่านจริงถือว่ามนุษย์สมบัติกัจุีสมบัติจึงมาเกิดได้แต่เกิดแล้วถหากเรามองข้ามไม่ทาคุณงามความดีอะไรก็เหมือนกันกันกบเข้าของของเราหามาได้ใช้ไปอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่หามาเพิ่มเติมอีกของนั้นถึงจะมีมากก จะหมดไปเพราะใช้ไม่หยุดไม่ถอยมันย่อมหมดไปได้ีบุนกุศลเก่าก่อนผิดสร้างเรามาเป็นมนุษย์ก็ททำนองเดียวกันหากเราไม่หาเพิ่มเติมเอาไว้เราตายไปเราจะเกิดผิดหวังเ <c oughs> พราะวาชาติในโลกอันนี้มีมากนับไม่ถ้วนแต่อยู่ในวัดอันนี้สัสตว์ต่างๆนานาเราก็ไม่สามารถที่จะนับได้ ว่ามันมีกีประเทศมันมากต่อมากอย่างนั้นการเกิดของสัตว์นั้นก็ไม่ใช่ว่ามันเคยไม่เคยเกิดหยิบเกิดดีมาก่อนมันเคยเกิดหยิบเกิดดีมาก่อนมีแต่การที่ประมาทมาเกิดพบชาติที่เป็นมนุษย์ไม่ได้สะสมคุณงามความดีอะไรยึด <c oughs> กุศลเก่าของเขาหมดไปเขาก็ไปเป็นสัตว์ต่อเมื่อใดเขา แล้วลึกได้ทําคุณงามความดีคิดถึงทางดีได้มันกว่าสามาที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเท พ, พบุตรเทพทิดาอีกได้เหมือนกันประมาทไม่ได้เรื่องของสัตว์บางทีพระโพธิสัตว์ก็เคยเกิดเป็นสัตว์เหมือนกันไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดเลื่อยไปแล้วจะสูงเลื่อยไป อันนั้นอยู่ที่คุณงามความดีของเราที่สะสมเอาไว้ฉะนั้นก่อนที่เราทุกคนยังไม่ล่มหายตายไปควรที่จะตินิพิจรารณาสะสมคุณงามความดีเอาไว้ทางศาสนาพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ท่านเคยแนะนำสอนคุณงามความดีนั้นพูดสั้นๆย่อๆก็คือทานศีลภาวนาสามอย่างนี้ เป็นคุณงามความดีในส่วนย่อยส่วนย่อยทานนั้นก็หมายถึงการบริจาคเข้าของของตัวสิหามาได้ฝากไว้ทำไว้ในศาสนาก็ดีในดิดามานดาหรือปุตสันนีบุญมีคุณก็ดีหรือคนอดอยากอยากจนก็ดีเราเสียสลาไปนั้นเลาเชื่อเราให้ทานคือไม่มีการคิด เอาดอกเอาผลจากคนที่เราให้ไฟนอกจากจากะทำระาใจแต่นีเย้วแน่ของตัวให้ตกออกไปเราทำอย่างนั้นทําให้จิตใจผู้ที่เด็กจะทำมีความผ่องใสมีความเยือก เ, เย็นในใจเพราะอย่างน้อยถ้าหากเราให้คนอดอยากอยากจนเราก็คิดได้ว่าเรายังมี วาสนาพอที่จะส่งค้อส่งหาคนอื่นเข้าได้ถ้าให้แกผู้ที่มีบุญมีคุณเราก็คิดในใจเสี้ยว่าเราเกิดมาไม่ได้อาภัพอาวาสนาบุญปิศน์ทานเราได้ให้บํารุงรักษาบูชาคุณผู้ที่ควรบูชาเราคิดเชียงแก่นี้จิตใจของเราก็ยินดีจิตใจของเราก็ฟ่องใสไม่เหมือนคิด ถึงความชั่วความเสียต่างๆเขามาลักมาขโมยมาผลขี่เอาของไปหมดเท่านั้นหมดเท่านี้รู้จักหน้าตาของมันกูทีมันขโมยเอาไปยังคิดถึงความชั่วสิเขาทําผ่านไปแล้วเราก็ยังโกรธยังเดือดร้อนไม่สบายใจแต่ที่เราให้ด้วยศรัทธาของเรานั้น มันเต็มใจให้ใจของเราจรึงสบายเคยพูดเรื่องของทานเป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งทึ่โลกอันนี้อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะอาศัยการให้ทานเฉลีอ่อาจายรจากันไม่อย่างนั้นก็ อ, อยู่ด้วยกันยากอยู่ด้วยกันไม่ได้ทานแต่จริงถือว่าเป็นยืนเป็นกุศล สมามสามัคคีของบุคคลตัดรอนเรื่องของเวรกรรมต่างๆได้เพราะคนที่ได้สงคอสงหารับไถยทานจากเรานั้นเขาจะไม่มาเป็นเวรเป็นภัยเป็นศัตรูแก่เรานอกจากคนนั้นมันจะเหลือเหตุเหลือผลจริงๆ จ, จังๆไม่เคย คิดเห็นบุญคุณทุกคนเลยมันสามารถทำได้แต่ก็น้อยเป็นทีส่วนใหญ่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจว่าคนนี้เคยได้สงคร้อสองหาเราอย่างนั้นอย่างนี้ทานจึงเป็นมหาเสน่ห์ทำให้คนชอบคนติดคนยินดีนอกจากนั้นก็เป็นทางไปสวค์ไปเกิดเป็นเถระบุตรเทรพธิดาได้ มีตามตำหนักตำนานมากมายกายปองตัวยอย่างของผู้ที่ทำบุญทุนทานและไปเกิดเป็นเสพผูบุตรเสพพริดดามีเรื่องของทานเป็นเบื้องตนที่จะนำผลคือความสุขความสบายมาให้ใครมีการให้ทานอยู่บ่อยๆระลึกนึกถึงการกะทำบาเพ็ญของตน คนนั้นก็มีจิตใจเลื่มใสมีจิตใจอบอุ่นตายไปก็มีหวังว่าจะมีพบมีชากที่ดีเพราะเราได้ก่อสร้างสรงเอาไว้ซึงคุณงามความดีเหมือนกันกับคนทำนาทำสวนศาหเรอรเด้ทําเต็มที่เต็มฐานข่าวก้าในนาของเขางอกงามผืิดผลในสวนของเขาดี ด, ดีถึงยังไม่สิดอกออกผลในวันนี้ แต่เขาก็คิดดีใจอยู่ว่าเขาของของเราที่ปลูกเอาไว้จะเป็นของของเราอย่างแน่นอนมีคนที่ทำบุญสุนทานการกุศยนต่างๆก็ทํานองนั้นมีจิตใจอบอุ่นมีจิตใจเย็นสบายเพราะเราได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ไม่ร้อนเขาใจของตัวสทานจึงเป็นเรื่องสำคัญและ เรื่องของศาสนาจะอยู่ได้ก็อาศัยเรื่องของทานอีกเหมือนกันการไลพ่พระไม่อยากจะให้อยู่ในวัดในวาไม่อยากให้มีในศาสนาไล่ไม่ยากหากอยากยอยมตัดเรื่องของทานอย่างเดียวเท่านั้นถ้าท่านอยู่ไม่ได้จะต้องสกขาลาคนนี้ไปหมดเพราะเหตุใดเพราะไม่มีใครจะสนับสนุนจะบำรุง ให้ท่านอยู่ได้พระมีธรรมมีวินยัยจะทำอะไรอย่างคารวะไม่ได้หาจินเองไม่ได้ถึงมีมาหากไม่มีคนอื่นเขาประเชนให้สําหรับพระฉันไม่ได้ผิดกฎหมายทางพระคือผิดวินัยของท่านเขาให้แล้วก็ยังยกให้ประเชนให้เึือจะขบฉันได้ไม่ใช่เห็นอะไรก็เจ็บยินไป นั้นพระที่อยู่ได้ในศาสนาก็ อ, อาศัยศารวาหยาดยอมภูมิุงบุญหมู่หุสน บ, บำรุงรักษาพระเอาไว้พระจึงอยู่ได้มีกำลังกายมีกำลังใจที่จะศึกษาเราเรียนที่จะประพฤติปฏิบัติเราคิดเพียงแค่นี้ก็จะเห็นคุณค่าของการให้ทานวบาเป็นของที่มีคุณค่าสูงมีเรื่องของทาน พวกเราทุกคนเคยกระทำบําเทนมาตามความสามารถของตนการให้ทานเคยทำมากันทุกทวนน้าแต่หากว่ามากน้อยต่างกันถ้าหากมีทานอยู่ในจิตในใจไม่ได้ทำความชั่วเสียส่วนอื่นเราก็มีหวังเต็มที่ว่าเราจะได้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ แต่ความชั่วเสียของเรานั้นมันมีไม่ใช่ว่ามีแต่แก่ความดีสายเดียวดังนั้นวันที่เขามาฟังธรรมาธรรมโมมาจําศีลเราต้องตรวจตาทิจารณาสาระใจความชั่วที่เราทําไปจะเป็นเรื่องของกายของวาจาหรือเรื่องของใจให้หักห้ามปัดเป่าออกไปให้อภัยอุทิศบุญกุศลที่ตนคลองตนสร้างเอาไว้อุทิศให้ แจกเจ้ากรมนายเวีนต่างๆให้เขาได้ไปกุดไปเกิดได้รับความสุขความสบายจากบุญกุศลที่เราอุทิศให้ศีนเป็นข้อที่สองในทางศาสนาที่สันือว่าเป็นบุญเป็นกุศลคนที่มีศีนอยู่แต่ฐานที่ใดคนนั้นไม่เป็นภัยไม่เป็นเวรไม่เป็นอันตราย อยู่สถานที่ใดอยู่กับใครอยู่กับสัตว์พวกใดเขาเหล่านั้นไว้เนื้อเชื่อใจเพราะไม่เบียดเบียนเขาเพราะไม่ทำลายเขาคนเราทุกวันนี้ที่ไม่มีความสุขความสบายให้โลกควนปัน่นนีหันไม่มีวันสงบกว่าเรื่องของศีลนีเป็นเรื่องสาคัญแต่คนเหล่านั้นไม่ละเลิกนึกถึงว่าเรื่องของศีลเป็นเรื่องสาคัญ เขาไม่จึงไม่ต่างหน้าต่างตารักษากันถือว่าความเดือดร้อนวุ่นวายมาจากเรื่องอันอื่นไม่ถือว่าความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นเพราะพวกเราท่านไม่รักษาศีลถ้าหากคนทราบเรื่องของศีลแล้วรักษาศีลกันโลกอันนี้มันก็สงบเยือกเย็นกันเถ่านัะกพราศีลตั็ น, นแก่ข้อต้น จนถึงข้อที่สุดไม่ฝูดถึงสีลของท่าของเนนที่เป็นสีลละเอียดฝูดถึงนิดจะสีนคือสีลที่ควรรักษาเป็นนิดอย่างสีนห้าปานาทีบาทการไม่ห่าไม่ทำร้ายร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นมันก็มีคุณค่าเราหาอาวุธต่างๆมารักษา ถึงจะมีราชาแทงกดซื้อเพราะกลัวจะมีภัยอันตรายจากเรื่องอื่นนั้นกเพราะเห็นว่าโลกอันนี้คนไม่มีศีลมันมีมันจะมาป่นมาขี้มาท่ามาตีเมื่อเรามีอาวุธเราก็มีทางปัดฟ้องรักษาตัวเขากลัวว่าเรามีอาวุธจึงได้ซื้อหามาไว้เสื่อรักษาความปลอดภัยของตัว าหากไมีมการข่ากันเลยเบียดเบียนกันเลยแล้วมันจะอยู่สุขจะอยู่สบายขนาดไหนในเรื่องของศีลตัวต้นคนข่ากันตีกันเบียดเบียนกันเขาเบียดเบียนเราเราก็ไม่ชอบใจไม่ยินดีไม่พอใจเป็นทุกข์จะนั่งจะนอนจะอยู่สถานที่ใด ไม่มีความสุขเพราะมีใจข่าศึกศัตรตูคนนั้นจะมาฆ่ามาแจ้งมายิงมาแทงอยู่เรื่อยถึงนอนมันก็ไม่ค่อยหลับสนิทให้เพราะกลัวใครเพียงแค่นี้ก็ทราบว่าเรื่องของการฆ่า ด, ดีกันนั้นไม่ใช่เรื่องของหยิบของดีไม่ใช่เรื่องของทันสมัยไม่ใช่เรื่องควรนิยมชมชอบ ลองข่ากันตีกันนั่งอยู่ด้วยกันนี้มันจะมีความสุขไหมคนนั้นลุกขึ้นเตะคนนั้นคนนี้ลุกขึ้นต่อยคนนี้มีไม่มีผ้ามีนี่ ม, ม, มีขวานอะไรกบฟันกันตีกันเขา้าเราจะอยู่เป็นสุขไหมทราบดีว่าไม่มีความสุขจะอยู่ด้วยกันสงบไม่ได้เขาตีเราเราก็จะตงตีเขาตอบอยู่นั้น มัน ม, มีความสุขความสบายให้มีกรรมที่ทาไว้ด้วยการขาดีมันกาะมีเกาะเกี่ยวกันไปเหมือนลูกโผ่เหมือนกันแต่นั้นพระพุทธเจ้าเห็นโทษเห็นภัยอันนี้ท่านจึงห้ามจึงสอนเอาไว้ไม่ให้ขาดจีึ่งกันและกันเพราะต่างชาติต่างคนก่อรักชีวิตของตัวมีศีลข้อต้ น, นมันก็มีผลในปัจจุบันทันตา หากทุกคนรักษาโลกขวาสงบไม่ต้องไปหาตำรวจทหารมารักษาบ้านเมืองเพราะทุกคนมีศีลประจําตนข้องตนอยู่แล้วโลกอันนี้ก็มีความสงบเยือกเย็นโดยการไม่เบียดเบียนกันขอขีสองทีว่าไม่ลักไม่ขโมยของเขาไม่ว่าอะไรทั้งหมด ถ้าเขาไม่ให้มีคนหึงหวงมีเจ้าของอยู่เราจะไม่ลบหลูไม่หยิบยกเอาสิ่งนั้นนั้นนอกจากเขาจะให้เราหรือของนั้นไม่มีใครเขาหวงแหนเราเอาได้ถือได้นี่เป็นศีลข้อที่สองข้อนี้ก็สำคัญเพราะทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งของของตนเขามารักมาขโมยของเรา เราเสียใจขนาดไหนมาพน้นมาชี้เอาสิ่งของที่มีค่าของเราไปเรามีความเสียใจขนาดไหนเราเราไปขโมยไปพ้นไปชี้ของคนอื่นเขาก็าจะเป็นอย่างไรเรียงเห่านี้ถ้าหากระลึกได้คิดได้มันก็พอหั ก, กหามใจของตัวได้ไม่อย่างนั้นจะเอาแต่ความอยากของตัวได้ที่ไหนก็เอา เขาไม่มีกำลังสิจะต่อสู้เราเราควนเอาได้กี่เอาได้ขโมยเอาได้เพราะไห้เขาเผลอเราจะเอาทางนั้นคนทีจคิดแบบนั้นคนที่ทําแบบนั้นโลกจึงวุ่นปั่นเหหันไม่มีความสุขความสงบให้เพราะไม่มีศีลตัวอาินนาแต่เมื่อทำไปแล้วทุกทุกนั้นมันเกิดขึ้นมาไหมถึงเขาจับกุมคุมตัวไห่ได้ ถทดไปข้าเขาก็ดีโทดไปรักไปขโมยเขาก็ดีไม่ใช่ท้องดีนะมันเผาอยู่ภายในเขาจิตเขาใจของตัวเองนั่นแหละแล้วเ ล, เลือกนึกขึ้นเมื่อใดมันก็เดือดร้อนมันไหมมันเผาอยู่ภายในนี่คือตัวนรกเขาใจของตัวเมื่อมีไฟเผาให้เราร้อนอยู่อย่างนั้นอยากจะไปสวรรค์นิพพานอยากไปฝันถึงไม่ต้องกวดาจะไปได้ แม้แต่เพียงความฝันเท่านั้นมันก็ไม่เคยฝันไปเพราะเหตุใดเพราะความเชื่อมันเต็มตัวอยู่แล้วมันไปไม่ได้มีเครื่องผูกมัดมันไว้ไม่ให้มันไปนี <c oughs> ่คือคนทีนในมีศีลในรักษาศีลเกิด ค, ความเดือดร้อนไม่มีความสงบอยากเย็นให้ศีลตัวอธินาทานก็เป็นเรื่องสําคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงบัญญัติว่าเป็นนิจศีล ควรที่จะรักษาให้เห็นอกเขาอกเราของเขามีกรรมสิท์ห่วงเห็นอย่างไรของเราก็มีกรรมสิทิ์ห่วงเห็นอย่างนั้นเราไม่ควรล่วงละเมิดให้คิดถึงชีวิตของเขาถึงของของเขาตัวการเมสุมิทชาจาจา์การล่วงเกินระเวนีนั้นก็ทำนองเดียวกันครอบครัวผวเมียเคยสามาคัคคีอยู่กันดีรัก <c oughs> กัน ชอบกันมาเป็นระยะเวลายาวนานพอเกิดเรื่องที่เรื่องพอเวณีเข้าเท่านั้นจะเป็นผู้หญิงล่วงผู้ชายถึงเป็นสามีทราบเขา้าก็ไม่พอใจมีแต่ทางจะข้าจะที่จะหนี <c oughs> จะยาภรยากับทานองเดียวกันถ้าสามีไปมีแฟนใหม่มันก่าทำนองเดียวกันเยยมยำทำลายจิตใจกันครอบครัวนั้น ถึงจะสมบูรณ์เลยทับ ส, ม, สมบัติอยู่ก็มีแต่วันที่จะสิบหายความสามารถที่เคยมีอยู่กว่าน้วันจะทำลายนี่มันเป็นแบบนี้ไม่มีความสุขความสบายเดือดร้อนบุนไวายถึงกับเค็นฆ่ากันในหน้านังสือพิมพ์หรือเขาออกวิทยุก็เรื่องเหล่านี้เรื่องที่ในนิสียทําใส้ จิตใจของคนป่วนปัน่นเดือดร้ อ, รอนวุ่นวายทำให้โลกทั่วไปได้รับความกระทบกระเทือนต่างๆเราจึงควรที่นิพิเจนารักษาตัวของเราให้อยู่ในขอบให้มีเขตมีฝั่งมีวาความอยากของใจนะไม่มีอะไรที่จะอยากเท่าเรื่องของใจมันไม่มีเมืองพอให้แต่จงว่าน า, น า, านาทิตปัญหาสมานทีแม่น้า เสมอด้ดยตัณหาไม่มีน้ามหาสมุทรถึงใหญ่โตระโหสถานลึกขนาดไหนกว้างขนาดไหนเขาก็ยังรู้ฝั่งฝาของมันฝ่าลึกขนาดนั้นมีเครื่องวัดได้แต่น้าจิตน้าใจของคนน้่เฉลียยตัณหาของคนมีอะไรวัดได้ไหมว่ามันลึกขนาดไหนบ้างขนาดไหนมันไ ม, นม่มีฝั่งมีฝาเอาเลยถ้าหากเราไม่หักห้ามไม่มีอัดมีทำไมมีศีล สี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ไม่ใครคิดถึงอกของใครเอาแต่ความอยากของใจเข้าว่าไม่มีที่ไหนมันจะเพียงพอได้ได้อันนี้ยังอันใหม่ความอยากของใจมันเป็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีความสุขความสบายให้ทางศาสนาทา่านจึงสอนให้สันโดษมากน้อยในสิ่งที่ควรมากน้อย เรียกว่าภาวนาคนที่มีอารมณ์มากๆคนนั้นยุ่งคนนั้นเดือดร้อนคนนั้นเป็นทุกข์ฉันจึงให้มากน้อยสามีภรรยาก็เหมือนกันคนที่มากมา ก, มากอยากใหญ่ได้คนนี้เห็นว่าจะสู่คนนั้นไม่ได้อย่าไปเอาคนนั้นเอาเรื่อยๆไปไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคนอย่างนั้นปลาดถั่วไปฉันตำหนิ นินทาไม่ถือว่าเป็นคนทันสมัยไม่ถือว่าเป็นคนดีเลิศประเสริฐสุดอะไรตัวของเราถ้าหากเห็นสาินีของเราหรือพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราประพฤติตัวชฉ่วเสียไปในทํานองนั้นเราก็เสียใจไม่ชอบใจจไหนเราจะไปทำเองการโกหกคลอกลมเรื่องสี้ยวข้อที่ที่ก็เหมือนกัน ทุกคนชอบความจริงไม่ชอบการโกหกพกลมของเพชรได้ไบอกว่าเป็นของจริงของปลอมไปซื้อว่าของแท้ของจริงไม่เห็นบอกว่าเห็นไม่รู้บอกว่ารู้ของชวดว่าของดีอย่างนี้ตัวของเราเองถ้าถูกหลอกลวงต่ตสูงแบบนั้นเราเสียใจไหม ถ้าหาไปต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเราเขาก็ทำนองเดียวกันกับเราท้งกฎหมายบ้านเมืองทางจรงห้ามแจ้งความเท็จมันผิดไปจากศีลนี่เองตามจริงกฎหมายทั่วไปนั้นตั้งขึ้นไปจากศีลคนทีมีศีลจึงมีกฎหมายจากคนมีศีลไม่มีกฎหมายกฎหมายหยาบ ก, กว่าเรื่องของศีลกฎหมายเขาจับกุมคุมตัวไม่ได้มันก คนจากโทษจากภทยไปในด้านของโลกแต่เรื่องของศีลไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีที่ลับไม่มีที่แจ้งทําเข้าที่ไหนผิดที่นั้นไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรืออยู่คนเดียวมันผิดเรื่องของศีลจริงไม่มีที่ลับหูลับตาไม่ว่าอยู่สถานที่ใดทําไปในทางชั่วทางเสียผิดศีลคนนั้นก่อเป็นโทษเป็นทุกข์อยู่ใ น, ในใจิตในใจของเขา โทษทุกที่มีนั้นคนอื่นไม่เห็นก็าตามตัวของตัวยอมเห็นในตัวของตัวแต่นั้นทันจริงห้ามยึงกล่าวเอาไว้ให้ทากันต่างหน้าต่างตารักษาอย่าไปทำลายตัวของตัวเองชอบสุขชอบสบายชอบความร่มเย็นต้องบำเพ็ญคุณความดีไม่ไปทำความชั่วพูดชั่วคิดชั่วอะไรความดี เราทาขึ้นสร้างขึ้นไม่ว่าให้ทานไม่ว่าจเจริญภาวนาทำสาระประโยชน์ต่างๆเราทําขึ้นเมื่อเรามีความดีประจําตัวความชั่วเราทําลายไปเราก็ดีใจปลื้มใจเย็นใจสบายใจอะไรก็มีแต่ความชั่วของเสียกเหมือนกันกันกบกายของเราที่นั้นก็เจ็บที่นี้ก่ปวดนี่แก่โรคไข้เบียดเบียนอยู่ทุก คนทุกขแข่งคนคนนั้นจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะโรคไทยเบียดเบียนท่านโรคไทยมันหมดไปความสุขไม่ต้องเรียกร้องหามันมีมาเพราะไหนมีความเจ็บความปวดความเหน็ดเหน็ดควมเหนื่อยอะไรนี่ใจก็ทํานองเดียวกันทากไม่มีโทษมีทุกข์ไมีชั่วมีเสียไม่มีบาปมีกรรมมันก็สุขกว่าสบายก็เย็นนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะโทษทุกข์มันมี โทษทุกข์มันมีขึ้นจากที่ไหนจากการกระทำของตัวของตัวเองไม่ใช่คนอื่นหากผลมาให้เขาดา่าปากของเขาดา่าหากเราไม่ไปรับเอาเราก็ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษอะไรเพราะก็ว่าไปแล้วมันก็ดับนี่เราไปรับเอาเข้าใจว่าการเขาด่านะั้นเขาด่าเราเราจรึงเจ็บใจแค้นใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทราบว่าคําด่า ที่เขาววานั้นมันเป็นของไม่ดีแต่ตัวก็ยังไปยอมรับเอาเขาเอาขี่มาให้ก็ยังรับเอาขี่กับเขาเราคนโง่หรือคนฉลาดควรจะคิชนิดพิจรารณาสาัขาแก้ไขใจของตัวนี่เรื่องของอัดของรำท่านให้ดูภายในรักษาใจรักษาใจของตัวไม่ต้องไปแก้ไขที่อื่นแก้ไขใจใจของตัวที่ชั่วให้หมดไป บำบุงกายใจของตัวที่ดีให้เจริญสวีขึ้นนี่คือการประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคนผี่ประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมมีการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามีสติปัญญาคุ้มครองดูแลตัวอยู่สม่ำเสมอคนนั้นเนล่ปลอดภัยอยู่ในโลกนี้ก็เย็นใจสุขใจ จากโลกนี้ไปก็ไม่ผิดหวังแต่นั้นพวกเราท่านจงพากันินิดที่จรณาสําระสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆให้หมดออกไปแล้วก็ทำบำเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้เพราะพบชาติของเราต่อไปยังมองไม่เห็นว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรอีกถ้าหากไม่มีคุณความดีในตัวห้องตัวมันก่อ จะต้องไปสู่ที่ชั่วเป็นธรรมดาเหมือนกันกับเราไม่มีสมบัติอะไรความอดยากอยากจนต่อไปจะเป็นอย่างไรเราก็วพราทราบเขาของอะไรจะอยู่จะจินจะนุ่งจะหม่มไม่มีถึงเวลาหิวมาจะพึง้าอะไรแล้วเราก็จะต้องหิวเป็นธรรมดาเมื่อเรายังไม่ตายแล้วทาผ่านผวอนสบายก็เหมือนกันเมื่อไม่มีถึง เวลาหนาวมาเราจะเอาอะไรมารักษามาคุ้มกันกายของเราเราก็ทราบว่าเราจะต้องทุกข์ต้องลําบากอย่างแน่นอนถ้าเรามีอยู่แล้วถึงเวลาอยากเราก็หามาทานถึงเวลาหนาวเราก็หามานุ่งมาโฮมมันก็สะดวกสบายมีบุญสุศสนของผู้เวียนไหว้ตายเกิดก็ทํานองเดียวกันท่าน ให้สแสวงหาเอาไว้ให้สร้างเอาไว้อย่าไปตายใจนอนใจมาจจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันทำนองนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์หมดความหมายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชฆราว่าสทำของพระพุทธจเจ้าเป็นสมบัติบาที่พวกเราทุกท่านจะต้องนำมาฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นให้ไปตามจริตนิสัยของตัวได้ ในใจว่าท่านผูกขาดบัทราวะต่อพืชปฏิบัติไม่ได้จะต้องเป็นพิสูจนสามมณีนหรือพิสูจสามมณีสมัยนี้ต่อพืชปฏิบัติคุณงามความดีไม่ได้ไม่มีนักมีผลนอกจากบุคคลที่เกิดทันกับพุทธการแ่านั้นจึงจะสามารถต่เพืชปฏิบัติให้ถึงที่สุดวิมุติได้คนสมัยปัจจุบันไม่มีวันมีเวาที่จะปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าเลยผูกขาดอย่างนั้น ธรรมะเป็นอากาลิโกไม่มีการมีเวลาจิเลสตันหายังอยู่เมื่อไรสามารถที่จะนำธรรมนั้นมาขับไล่กรร จ, จัดเรื่องจิเลสตันหาออกไปได้เมื่อจิเลตันหาหมดไปความสุข ก, กายสุขใจมันก็เกิดขึ้นแต่นั้นยังไม่ควรมองข้ามควรต่างหน้าต่างตารักษาต่างหน้าต่างตาต่อเพื่อปฏิบัติ ผู้ศีรษะหน้าต่างตารักษาประพฤติปฏิบัติแล้วคนนั้นแหละเป็นคนมีคุณค่ามีสาระในตัวถึงเวียนได้ตายตเกิดต่อไปก็จะไม่ผิดหวังหรือผู้มุ่งมั่นที่จะไม่อยู่ในโลกในยอมเวียนได้ตายตเกิดอีกทำที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็มีอีกเหมือนกันมุ่งมั่นจริงจังประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็ไม่เหลือวิสัย ครามบริสุทธิ์ของใจจะเกิดขึ้นเมื่อบริสุทธิ์แล้วควบชาติไม่ต้องไปทำลายที่ไหนก็ผู้ไปก่อเกิดคือเรื่องจิตเรื่องใจเท่านั้นแต่นั้นพวกเราท่านจึงมีสิทธิ์มีส่วนที่จะประพฤติปฏิบัติตามอาัตตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ววันคืนปีเดือนก็ล่วงไปล่วงไปอายุของพวกเราท่านก็หมดไปหมดไป แดีคุณงามความดีอย่างที่ว่าเราได้ทำอะไรหรือไม่มีอะไรเป็นเครื่องอบอุ่นใจต่องตรวจตาที่เจณนะค่ะมีแล้วก็ให้หรีบรักษาเอาไว้อย่าทำลายมันไปยังไม่มีก็ควานขวายแสวงหาให้เกิดให้มีในกายในใจทองตนนี่คือคนที่ไม่ประมาทสามารถที่จะกาะกวยคุณงามความดีเอาได้ดังนั้นพวกเมื่อพวกฉันทั้งหลายได้สดั บ, บรับฟัง ทำบรรยายเสียอธิบายมาจงนําไปที่นิติเจรินาเหมื่อเห็นว่าเป็นทางที่จะนาํามาสืบความสุขความเจริญก็จงพากันต่างหน้าต่างตาปฏิบัติต่อจากนั้นก็จะมีความสุขความสบายการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสีเวลาพอยุติเพียงเนี้เอ๋ัง